ยะถาวาริวหาปูราปริปูเรนติสาคารังเอวเมวัยโตทินังเปตานางอุปกาปติอิจิตังปติตังตุมหังคิปเมวะสมิชาตุสภเพปูเรนตุสังกปาจันโทปนาราสูยะามมนิโชติระสูยะทา ติโยวิวานฌานตุสาภาโรโควินานสตุมาเตีภาวัตวันตรายโยสุขีทิขายุโกภาวาพิวานธนาศิลิสานิ จางบัวทาป้ายจายยินาจัดตาโรทามมาวันทันติอายุวันนอสุขังพาลายุโดภาโดทีโรวันณโดปฏิภาณโด สุขสารสาาตามิทาวีสุขังสวัสติขานสติอายุงรัตะวาพลังวานังสุ ข, ขันจปฏิพาณโดเ ด, ดีขายุญาสวาโหตยิยาตายยตัวปปัดสติทิพวาตุสัพมังกะลงัง สามบาบุตานุภาเวนัสดาโสติผวันตุเตงผาวตุสาพมังกาลังราคันตุสาผดีวตาสามบาธรรมานุภาเวนัสดาโสติผวันตุเตงผาวตุสาพมังกาลัง ปเดวตาสาบะสังคานุภาเวนจาาันดัสติภาวันตุเต